เหมือนวิญญาณของสําเริงน้องชายจะรับรู้ความรู้สึกของพระพี่ชายค่ะลมก็พัดวูบเข้ามาอย่างไม่มีปีมีขรุยทำเอาคนที่อยู่บนเมนเผาศพเนี่ยมองหน้ากันลกหลึกๆนะคะแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะปริตปากพูดออกมาจากนั้นค่ะสับ ป, ปะเลย ก, ก็ปิดฝาลงแล้วก็นําศพเข้าเตาเผาไปตามประเพณีไปดีนะสาเริงนะหลวงพี่ก็อุทานอีกรอบนึง หลังจากทำการชาปน ก, กิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกญาติๆของพร ะ, ะพระญาติแล้วก็พระสุรินก็กลับอําเภอผักไถ่จังหวัดอายุทยาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรือนของตนส่วนพระสุรินค่ะกลับวัดลาดชิดซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะ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 ก็อ้าปากค้างพูดไม่ออกตัวเย็นเฉียบจะวิ่งหนีก็ลุกไม่ขึ้นแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ตามก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหลวงพี่ก็เลยบอกวักเอ็งเอ็งตายไปแล้วมาหาหลวงพี่ทําไมไปเถอะเลิงพี่รู้แล้วว่าน้องชายมาหาไปเถอะอย่ามารบกวนหลวงพี่เลยพรุ่งนี้จะนิมนต์พระมาบังสุ kul ให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเธอเลิงคือหลวงพี่ก็พูดไปหลับตาไปไอเลิงก็เลยบอกว่า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 ผมเป็นห่วงมากผมเจ็บปวดไปทั้งตัวผมจะไปไหนไม่ได้ถ้าหลวงพี่ไม่ช่วยส่งเคราะห์คุณผู้ฟังคะพระที่หายไปค่ะสรุปว่าน้องชายของหลวงพี่เนี่ยเป็นคนเอาไปก็คือไอเริงนั่นเองเป็นคนที่แบบว่าอาจจะหยิบฉวยไปโดยที่แบบไม่ได้บอกกล่าวหรือว่าอยากจะได้หรือว่ายังไงก็สุดเหนือประมาณขนานับนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลวงพี่ท่านก็วางอุเบกขาไว้แล้วนะคะคือเออ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 มีอะไรไปที่สังเกตแล้วทีนี้เนี่ยสำเริงก็เลยบอกว่าผมจะเอาซี่ตอกปากไว้ตรงที่ผมฝังพระอย่าลืมนะหลวงพี่ช่วยผมด้วยคือพอพูดจบค่ะคุณผู้ฟังร่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะคะได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกดังแอ๊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 ปรากฏนะคะว่าเมื่อเปิดผ้าออกก็พบพระทั้งสององค์ที่หายไปคือเครื่องพิมพ์นาคปลดที่ชำรุดที่เสียนหน้าส่วนพระบูชาหักออกเป็นสามท่อนคือที่คอที่แขนแล้วก็ตรงหัวเขา่าแล้วก็เมื่อเห็นพระอยู่ในสภาพหักเป็นท่อนเช่นนั้นนะคะหลวงพี่ก็เลยเกิดอาการขนลุกทั้งตัวนึกถึงสภาพศพของน้องชายที่หักเป็นสามท่อนเช่นกัน